เก็บตกเช้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆจากโรงพยาบาลมีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งร่างกายอ่อนล้ามากมหาหมอหมอก็นักพัสการแล้วก็ถามหลวงตาเป็นไรครับหลวงตาก็บอกว่าจําวัดไม่ได้หมอก็ขาวดคิ้วนั่งงงพักหนึ่งหมอเอ่ยขึ้นว่าประทานโทษนะครับหลวงตาตอนนี้พักที่ไหนพักที่วัดสิมหมหอ แล้วช่วงนี้หลวงตาได้บิธาบาตไหมอ๋อบินทุกวันแหละแล้วกลับวัดยังไงก็เดินกลับทีหมอเอา้าแล้วหลวงตามาโรงพยาบาลอะ่ะมารถอะไรก็มาโมไซล์รับจ้างทีหมอแล้วขากลับละ่ะก็คงหาโมไซล์รับจ้างแถวแถวนี้กลับวัดทีหมอเอา้าแล้วโมไซล์จะไปวัดถูกเหรออัตมาก็บอกทางไปวัดได้หมอก็เอยคิดว่า อา้าวไหนหลวงตาบอกว่าจำวัดไม่ได้หลวงตาก็ตอนนี้สีหน้ามึน ง, งงนั่งคิดยูกพักหนึ่งถึงได้โอ๋อาตมาเนะี่จำวัดได้จำวัดที่อยู่ได้แต่อาตมาเนี่ยนอนจำวัดไม่ได้มันนอนไม่หลับสิหมอเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกอาตมาเล่าให้โยมฟังขำๆเพราะว่าพระเนี่ยพูดกับโยมบางทีใช้ภาษาพระไงโยมไม่เข้าใจ ตรวจมาก็เคยเป็นนะคุยกับโยไม่โยไม่ไมเข้าใจบางทีเราเรียกตัวอาธมาโ ย, โยอาธมาอาธมากับเราด้วยก็มีอันนี้ไม่มีไม่มีอะไรหรอกอีกเรื่องหนึ่งมีคนป่วยอยู่คนนึงแกคิดว่ตัวเองอเป็นเม็ดกะโปดแกกลัวนกมากเลยถ้าเห็นนกเนี่ยแกจะตัวสั่นหน้าเน่าเขียวหมดเลยปากเบิกเขียวแกก็มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโรจิตอยู่พักใหญ่แล้วหมอก็เรียกมาดูอาการ ก็ถามว่าตอนนี้อาการเป็นไงบ้างแกก็ตอบว่าก็ดีขึ้นครับหมอแลว้วป่วยเป็นอะไรแกบอกแกเป็นเม็ดระขามพุ่ครับแกบกลัวนกมากแล้วตอนนี้เป็นเป็นไรละ่ะแกก็บอกเป็นคนครับอืมอาการดีขึ้นมากแล้วกลับบ้านได้อ้าวหมอให้ยาไปนะกินสามวิดาหลังอาหารแกก็ออกจากครงนยาาไปดีใจมากเลยผ่านไปสิบกว่าทีแกก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหามหมอ หน้าตาปากเปิดเขียวเลยเอา้าวหมอบอกบอกว่าถ้าเป็นไรล่ะวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยนกครับนกนกมันจะกินผมเอา้าไงบอกไม่ได้เป็นแม่ข้วโพดแล้วไงผมนะ่ะรู้แล้วผมไม่ได้เป็นแม่ข้วโพดแต่นกมันจะรู้ไหมาว่าผมไม่ได้เป็นแม่ข้าโพ ด, รมม ด, เ, พดเรื่องนี้ก็จบบางทีก็คนไข้ที่ป่วยเปกก็นโรคจิตเนี่ยมีหลายคนนะแกอาคีเราเองก็เป็นนู่นเป็นนี่ แต่ถ้าแกหายแกรู้ตัวว่าตัวเองป่วยหรือรู้ตัวเองบ้านเนี่ยก็หายนะรู้จากเห็นหลายคน พ, พ, พออยู่ในอารมณ์ติดอารมณ์อ่ะมันแคเป็นแบบนี้แหละเรื่องต่อมามีลุงอยูคนหนึง่งเขชื่อว่าลุงมีลุงมีจะป่วยเป็นโรคหัวใจต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยแต่ครั้งนี้เป็นหนักมากลูกหลานจึงพาไปหาหมอประจําตัวแต่เพอเอิญ แกซื้อตะตรี่ลูกๆเนะี่ยก็ไปตรวจ ด, ดูแล้วถูกรลอะที่หนึ่งสิบสองล้านแต่ก็ไม่กล้าบอกแกนะเพราะแกเป็นโรคหัวใจเดี๋ยวหัวใจวายตายขึ้นมาอดใช้เงินลูกๆจึงไปปรึกษาหมอที่ดูแลส่วนตัวหมอเข้ใจดีบอกเดี๋ยวหมอจัดให้หมอก็ค่อยคุยกับลุงมีอะคุยให้กําลังใจถามผู้คนถามนี่ให้ลุงมีมีความสุขไงจนเห็นว่าเอ้ยลุงมีสบายใจมีกําลังใจแล้ว ที่่อาเอ่ยว่าลุงสมมุติว่าลุงเนี่ยถูหวยรอบที่หนึ่งสิบสองล้านเนี่ยลุงจะเอาเงินไปทําอะไรลุงมีแตก็งงแต่ก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าผมถูกหวยสิบสองล้านจริงนะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งสําหรับตัวผมและลูกๆหลานอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งให้หมอเพราะหมอดูแลผมอย่างดีเลยเป็นการตอบแทนบุญคุณแบ่งให้หมอครึ่งหนึ่งก็แล้วกันหมอ พอได้ยินว่าจะแบ่งให้ครึ่งนึงเนี่ยหมอก็ค่อยล้มไปเลยหมอก็รหมอเป็นโรคหัวใจด้วยหมอลืมไปว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจช็อกเพราะว่าตัวเองตกใจไงที่ที่จะได้เงินหกล้านโหัวใจอันตรายนะอนมาดูคลิปวิดีโอคลิปอยู่คลิปหนึ่งเน่ยคนโรคหัวใจเนี่ยอยู่ๆตายฉับพลันเลยนะล้มไปฟาดพื้นตายตายง่ายโรคหัวใจะถ้าใครเป็นก็ระวังตัวไว้จะเป็นลายต่อไปเจอเรื่องอะไรที่ตกใจช็อกเนี่ยตายเอาง่ายๆเหมกัน เรื่องต่อมามีชายอคนหนึ่งแกชื่อว่าโจชายคนเนี้ปวดหัวมา20ปีแล้วเป็นตั้งแต่อายุสิตอนอายุสามตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรปวดหัวจากการเรียนหรือการทำงานแบบจริงจังแต่ปวดหัวเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รักษาไม่หายจนเหลือลังอะ่ะจนอยู่วันนึงแกก็ทนไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาหมอหมอตรวจดูอาการแล้ว หมอก็บอกว่าตอนนี้หมอมีข่าวดีข่าวร้ายมาบอกจะฟังข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีก่อนมาละกันข่าวดีคือหมอสามารถรักษาโรคปวดหัวของคุณได้แบบหายขาดเอาแล้วข่าวร้ายแล้วหมอหมอจําเป็นต้องตัดไข่คุณทิ้งโจนี่ตกอยู่แล้วพวัางนะหมอกอ็เลยต่อเคสของคุณเนี่ยเป็นเคสที่หายยากมากอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยล้านก็ได้เพราะว่า ไข่สองข้างคุณเนี่ยมันเป็นดันลําไส้ให้ไปละเอียวล้างเส้นไปลายประสาทส่วนล่างของกระดูกสันหลังอันเป็นสาเหตุให้คุณปวดหัวตลอดเวลาถ้าตัดไข่คุณทิ้งอาการปวดหัวจะหายเดืดขาดโชวขอตัวกลับบ้านไปคิดดูก่อนจะปรึกษาใครก็อายแต่ถ้าไม่ตัดไข่ก็ต้องปวดหัวต่อไปไม่รู้จะทําไงดีจึงจําใจไปผ่าตัดแต่ไข่ทิ้ง หลังจากตัดไข่และพักสงษาตัวโหลวงพิบาลแล้วพักนึงเน่ยออกจากโรงพยาบาลมา่อชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปทิงเข้าไปหาร้านสูตรที่มีชื่อเสียงของเมืองอะที่เปิดมานานแล้วร้านนี้เข้าไปในร้านชายชาราเจ้าของร้านออกวาต้อนรับโจก็บอกลุงขอสูตรตัวหนึง่งชายชร า, ามองรูปร่างของโจแล้วบอกสี่สี่โจก็มองล้วโหยังไม่ได้วัดตัวเลย ชายละเออคิดว่าผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับลองใส่สูตรก็ดูสมส่วนบอม ก, กับร่างกายชายละเอยต่อรับเสื้อเชิ้ตทั้งตัวไหมครับโจก็บอกว่ า, วาดีเหมือนกันชายลาก็บอกว่าแน 3, 4, ขนสามสี่คอสิบหกนิ้วครึ่งรู้ได้ไงเนี่ยผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับลองเสื้อเชิ้ตเดินไปรอบร้านก็โอ้เท่ดีชายละเอยขึ้นต่อ รับรองเท้าสักคู่ไหมครับก็ดีเหมือนกันชัยลามมองพิธีตีนโจกานิ้วครึ่งเหมือนเดิมแกก็บอกแกเปิดร้านบุกสิบปีโจก็งงหูเก่งจังเลยลองรองเท้าจนถูกใจชัยลามม้างเอ่ยขึ้นอีกรับบางเกงในใหม่ถั้าตัวไหมครับดีเหมือนกันชัยลามมองวัตี่ไซของโจสามสิบหกโจหัวล็อกกากเลยคราวนี้ลุงผิดแล้วผมใส่ สามสี่มาตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วชายชราทำสีหน้าตกใจโอ้ยไม่ได้หรอกอย่างคุณเนี่ยใส่สามสี่ทรมานตายหาเพราะว่ามันจะไปเหนียวลังไข่ของคุณเนี่ยไปดันลำไส้ให้ไปกดทับเส้นประสาทส่วนล่างของกระดูกสันหลังถามจิิงๆเหรคุณได้ปวดหัวบ้างเหรอโจ อ, อึ้งเลยเรื่องนี้ก็มีแย่คิดบางครั้งบางปัญหาเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ปรึกษาใคร แลรู้ไปจริงก็เกิดความเสียหายได้อย่างเช่นโจทำให้ต้องเสียไข่ถ้าแกมาหาร้านตัดสูตรล้านนี้แต่แรกแกก็ไม่โดนตัดไข่แล้ว ม, มันก็มีธรรมะอะไรหลายเรื่องแฝงจากโจนะคือว่าคนเราเนะี่ยจะมีนิสัยบางอย่างที่ยึดมัน่นถือมัน่นมีพฤติกรรมที่ติดอะแล้วก็แก้ไม่ได้อย่างชอบแส่ตะเกียงในครับครับหรืออย่างอื่นพอติดแล้วก็จะเป็นิสัยหรือกินอาหารที่ตัวเองชอบ กินไม่กินมาบางทีอาหารนั้นก็เป็นโทษต่อต่อร่างกายจนท้าเจ็บป่วยได้หรือว่าคนติดบุหรีดูดดูดตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตอนดูดมันก็เพลินนะแต่พรว่าตอนหลังไปตรวจแล้วเป็นมะเร็งที่ปอดหรือป่วยอย่างอื่นเนี่ยหมอบอกให้เลิกเนี่ยอันนี้เชื่อหมอนะเชื่อหมอนะตัวเองไม่ยอมเลิกเพื่อนมาเพื่อนแม่ น, นําให้เลิกก็ไม่เลิกหรอกพวกนี้บอกไม่ได้หรือคนกินเหล้า บางคนกินเหล้ามาตั้งแต่หนุม่มจนแกพอรู้ว่าตาเกือบบอดนะไปให้หมอตรวจเอาเบาหวานขึ้นตาถึงยอมเลิกกินเหล้าเองนะแล้วเราสังเกตะคนเราจะมีนิสยัยมีพฤติกรรมคล้ายๆโจนเนี่แหละคือติดอะไรเรายึดจนเป็นพฤติกรรมไงบางครั้งก็ให้โทษแต่พฤติกรรมบางอย่างให้คุณนะอ ย, อย่างมาไหว้พระสวดมนต์หัดนั่งสมาธิเจตสติสร้างรูตัวเนี่ยอันนี้ให้คุณแต่ละพฤติกรรมบางอย่างให้โทษ อาจจะพูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวหรืออะไรอย่างต่างเห็นกัตัวเรืออยงอื่นเนี่ยทำํำบ่อยๆคมันก็กลายเป็นเป็นเคราะเป็นกรรมได้อย่างเรื่องเล่าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีมีหลายเรื่องนะที่ว่าสอนใจเราได้อย่างตัวละมาเนี่ยเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดจากตัวเองอคือเพื่อนตกหลังคาแบบแบบที่เราคาดไม่ถึงและเราไม่มีทางเลือกเราต้องรีบอุ้มขึ้นรถ พาไปสโรงพยาบาลด่วนผู้ช่วยชีวิตตอนนั้นเมื่อเมื่อวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าสี่เก้าตอนเย็นหลวพิชฉัตชัชยเจ้าสมนักบุรีที่หลวงวัดเทียนเนี่ยออกมาตอนนั้นจากภาษาที่บุรีที่หลวงวัดเทียนด้วยตอนนั้นออกภาษาแล้วแกก็คืมใจไงก็ไม่รู้อะ่ะไปฝันหลังคาแถวแถวไอหลวงครวอะฝันังคาไม่พอก็เอาอิโต้เนี่ย ไปฟันกิ่งไม้กิ่งไม้อยา่าลองคาสายตาแกก็ไปดูแกฟันกิ่งไม้ฟันไปฟันมาแล้วแล้วแกเหยียบกระเบื้องไงตัวเองก็ทะลุลงมาข้างล่างเลยหัวฟากระโต๊ะแล้วก็เหล็กก็แทงที่ขาคือสลบคาที่อ่ะคืออาการหน้าเป็นห่วงอันมาก็รู้ก็วิ่งเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันอุ้มขึ้นรถ เรียกรถแถวๆนั้นแหละแถวแถวหน้าบุทฑิติอ่ะก็พาไปส่งโรงพยาบาลก็มีอาณาบาลนั่งเป็นเพื่อนไปโรงพยาบาลราชบพิพัฒแถวพุทธบุรน์สายสามไปถึงตอนนั้นแกได้มือถือมาประมาณสองสามวันนะแกก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะมือถือโนเะกียสามสามหนึ่งนอ่ะขาวดำอันัมาก็เอามือถือกันไปด้วยนะอาณาบาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน กฎผิกฎถูกที่เราจําเป็นเดี๋ยวเราต้องกดหาญาิแกญาติพี่น้องเพื่อทำทุกวิถีทางอน่ยตามญาติตามคนนู้คนนี้มาเพื่อให้มาโรงพยาบาลตัดสินใจไว้เอาไงทางโรงพยาบาลก็ไม่กล้าทําอะไรเท่าไหร่นะก็รักษาเบื้องต้นเหครับไว้ก่อนทําแผลงล้มแผลอะไรพวกเนี้ยจนพ่อแกมาจึงตัดสินใจพาไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษอยู่แถวเนี่ยแถว ถนนตกสภานกรุงเทพอะฝั่งพรนะนครอะอ่านมาก็นั่งรถไปกับแกนั่งรถบ่อข้างแรกในชีวิตอยู่แล้วเรานั่งหน้าด้วยนะรถบอลดลดกขับเร็วโอ้สวิสวาสแสงซ้ายแสงขวาหวัดเสียวมากเกิดมาไม่เคยนั่งรถบ่อกู้ชีวิตด่วนก็ไปถึงโรงพยบาบาลเน่อุยก็ไปอยู่ทั้งดึกเลยบบถึงประมาณตีสองเลยบ้างถึงจะกลับถึงจะกลับได้ หมอก็ารับช่วงดูแลต่อไปกลับมาที่บุรีรัาย์นอนไม่หลับเลยนะแต่คนอื่หลับสบายนะ้าพระที่พระที่อยู่ด้วยกันเน่ะเขาไม่ไทุกข์แบบเราเลยเราเนอนไม่หลับความเป็นห่วงเพื่อนพอวันลุกขึ้นเพื่อนก็ไม่ได้ทุกขนะ์เน่ะเพื่อนก็บางทีก็เปิดเพลงฟังกันชัยชิดตามสบายสบายแต่เรากไ็ไม่พอใจไปว่าเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราเดือดร้อนเกือบตายอย่างเงี้ยทําไมเราไม่ไว้ทุกข์ ถ้าเรามีอารมณ์แบบมาเสพสุขไอส้สารานอะไรพวกเนี้ยพราเรามีอุปทางไงว่าเอ้ยงานศพหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเศร้าโศกตามไงการไว้ทุกข์ให้กับคนตายหรือคนที่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยคือติดมาได้เด็กอะ่ะพอบวชนานๆจึงรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเราไปว่าเพื่อนเราไม่ถูกเพราเพื่อนเขาไม่จะเป็นต้องมาทุกข์กับการบาดเจ็บของเพื่อนหรือการตายของคนอื่นพอเมื่อเมื่อกี้ว่ากันเร า, าไปไปบปีตาบ่าท่ทาไฟก็เห็น คนตายบ้านคนตายเขาก็เปิดเพลงกันเอเจ้าภาพไม่ได้ทุกอะไรเลยได้ข่าวคนตายขี้เมาสังบ้าอาจจะมอกเฮ้ยตายก็ดีเหมือ น, นกันบางทีอาจจะไม่ค่อยมีสาระฉั้นฝากที่เรายึดบานถือมางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มขี้ขายได้ตอนที่มีประสบการณ์มีการเรียนรู้อย่างงานศพเราไม่จำเป็นต้องไปทุกขับคนตายหรือคนป่วยแต่ต้องดูอากาศเทศาด้วยนะบางทีไปหัวเราะเขาไม่ได้เออก็กลมกลืนเข้าไป แต่ไม่จำเป็นต้องทุกเศร้าโศกแต่ก็มีอีกแคสหนึงที่อาดมาแนนอนไม่หลับเลยเมื่อวันที่17มิถุนายน2548อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับหนึ่งไทยรัฐเห็นยุคข่าวหนึง่งข่าวไม่ค่อยใหญ่หรอกเห็นพระเนี่ยนอนกุดคูพระถูกฆ่าตายไม่รู้ใครตายนะแต่เราสงสารพระองค์นี้แหละเราไม่ได้ดูแรายละเอียดไงพอเปิดไปเปิดมาเอา้าดูรายละเอียดของข่าวเอ๊ะพระรู้เีื่องรู้จักเนี่ ภาพรูมชื่อพาสุโพสสวัจโจรู้จักการสมัยอยู่สวนโมกแกทำงานดูแลห้องสมุด ต, ตอนนั้นผู้พูดก็เป็นภาพใหม่เปิทีต่อเบิดหนังสือแกประจำแล้วอย่างแกเป็นคนที่จิตใจดีงามนิสัยดีใครๆก็รักใครๆใครๆก็สนิท ง, ง่ายพอรู้ว่าเป็นหลวงพี่สุโพสเท่านั้นแหละจากตอนแรกที่เราไม่สนใจกลายเป็นแบบปรุงแต่งให้มันทีเลย เราต้องไปร่วมเผาศพแก่แล้วแล้วก็เป็นเหตุให้หลวงพอ่อเขียนได้ไปเพราะาราาว่าไปกราบราหลวงพ่อแต่วันนั้นเรานอนไม่หลับเลยนะไปกราบหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ถามว่าใครพอกลุ่มเสขียธรรมเนี่ยหลวงพ่อเป็นนักดูลักษณะธรรมชาติเนี่ยก็รู้จักกับพวกกลุ่มเสีขีตธรรมหลวงพอ่อบอกเดี๋ยวหลวงพ่อไปด้วยก็แล้วกันก็เลยได้ไปกับหลวงพอ่อแหละตอนนั้นหลวงพ่อหาคนขับรถไม่ได้ก็ไปหาคนขับรถแถวแถวท่าไฟคนขับก็ขับก็บกค่อยเก่งแล้ เขไปออกทุระทุเล่จนถึงวัดชนประทานวันเผาแต่ว่นหน้าอาจารย์ไปสารเข้าไปแล้วไปที่นั่นอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์สนิทกับพวกกลุ่มเสียเทรยมอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าก็พูดถึงม้าสียำพวกกับบุรุษไอชาไนม้าสียำพวกก็คือประเภทแรกเดี่ยแค่เห็นเงาประตักก็รู้แล้วว่าต้องทําไงกับเจ้าของประเภทที่สองต้องโดนประตักสกิดผิวถึงรู้ว่าต้องทําไง ประเภทที่สามต้องถูกประตักแทงมาที่เนื้อเสงจรู้ต้องทําไงประเภท 4, ที่สี่แทงที่เนื้อกันไม่รู้สึกแล้แทงที่กระดูกถึงจะรู้ตัวถ้าเปรียบกับบุรุษอ้ชานายก็คือประเภทแรกเลยก็คือได้ยินได้ฟังข่าวว่ามีคนตายคนเจ็บอ่ะเราก็นึกขึ้นมาเอ๊ะสักวันหนึ่งเนี่ยความเจ็บความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเราต้องรีบทำความดีแม่บามาดประเภทที่สอง ก็คือต้องเห็นเองนะประเภทแรกดูฟังจากฟังจากฟังจากข่าวประเภทสองนะต้องเห็นเองเห็นได้ตาตัวเองได้ยินกับหูตัวเองถึงจะเกิดความสัสงเวชใจสลดใจแล้วคิดว่าเราทําความดีเพราะสักวันนะี้สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นกับเราประเภทที่สประเภทนี้เขาเริ่มหยากขึ้นแล้วจะต้องเป็นเพื่อนญาติพี่น้องครอบครัว ถึงจะรู้สึกสังเวชใจทําให้รีบทําความดีไม่โอมาดประเภทสี่ประเภทนี้ไม่เห็นลงศพไปหลังน้ำต า, ต, าต้องเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นก ต, ตัวเองก็เช่นป่วยพังงาพะงงา บ, งงาบนอนบนเตียงถือตัวเองใกล้ใจแหล่ไม่ใจแหล่อะไรเงี้ยถึงก็เริ่มรู้สํานึกประเภทนี้ก็ลำบากหน่อยคือจิตใจหยาบหน่อยประเภทแรกนี่ก็เป็นคนที่มีปัญญา อ, อ่านมาคไม่ใช่ประเภทแรกหรอกเพราะว่าอ่านข่าวแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นคนตายเป็นว่าเล่นก็เฉยเฉยนอกจากได้ยินได้เห็นกับตัวเองอะถึงจะรู้สึกสังเวชอาจจะเป็นประเภทที่สองโรงพยาบาลจึงให้ง่ายคิดเรามากมายเลยทําให้คนเนี่ยนึกโรงพยาบาลก็ทําให้พินาศความจริงชีวิตอย่างอธิมาก็นําสวดพินาศพระเวกถ้าเรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจเราทําดีได้ดีชั่วได้ชั่วความแก่น่ากลัวแนละ้วความแก่เนี่ยถ้าคนไม่พิจารณาเนี่ยประมาทมากเลยคนแก่หูหูตาก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วผมก็งอกถุงตาก็เริ่มชัดขึ้น การเดินเห่ยก็ลําบากคนแก่เดินช้าบางทีเดินกระง้อจะกระย่องกระแย่งแรงก็เม่อเขาจะมีหลงหลงลืมลืมปัม่มปัมเผลอเผ อ, เอแล้วคนแก่นี่ก็ไม่มีโอกาสจะกลับมาหดุ่มสาอีกแล้วมีแต่ถอยลงไม่เรื่อยคือลงอย่างเหมือนเครื่องบินน่ะต้องจอดต้องลงอย่างเดียวเลยอาจารย์ภาษาเปีไว้ดีนะแบบเครื่อคนเราแต่ละคนเหมือนเครื่องเครื่องบินคนละเครื่องเติมน้ำมันเต็มถังอะ่ะ แล้วก็บินอยู่บนฟ้าแต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่ามันมันน้ามันหมดเนี่ยมันต้องตกนะนแต่ละคนต้องมาคับเครื่องให้ตกยังไงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งบางก็ตกแบบระเบิดตูมตายสยองบ้างก็หาพีตกแบบนุ่มนวลอันนี้อยู่ที่เจ้าตัวละใครจะขับเครื่องอยังไงทุกคนมีเครื่องบินหนึ่งเครื่องแล้วความแก่เนี่ยถ้าพิจารณา มันก็สอนศิจธรรมเราเพราะความแก่ความตายเป็นของใกล้กันอย่างเพื่อนอามาหลายคนก็แก่ตอนนี้ถ้าเห็นใครที่อายุไร้เดีกันก็แก่แต่เจ้าตัวบางทีก็ไม่รู้นะว่าแก่เพราะว่าบางคนก็ลืมความแก่ไปไปกินเหล้าไปดุไปทาอะไรเพลินๆอาวัยมุกต่างๆเสพสุขเจ้าสำราอะไรอย่างเงี้ยแต่ละาพิจารณาเรากแก่ลงไปทุกวันทุกวันเอาค้างเราก็มีคนแก่ แต่คนแกท่ที่ใจน้อยนะเราไปพูดว่าแก่บางทีว่าโกรธเราก็มีมันพูดต้องดูกาเทศะด้วยอย่างมาพูดเรื่องความตายความแก่กับอาจารย์ได้เพราะอาจารย์ท่านก็พูดเป็นเจ้าอหู่ความตายอยู่แล้วก็เลยพูดได้ถ้าเป็นคนอื่นพูดไม่ได้นะทีคนมีปัญญาคิดว่าแช่งให้ตัวเองตายเพราะว่าความความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยถ้าเป็นวัดเราเนี่ยพูดเป็นเรื่องธรรมดาปกติเป็นข้างนอกเนี่ยเฮ้ยมึงแช่งกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยกันนี้ห้ามพูดเหมือนกัน ระวังเอาไว้ความเจ็บป่วยวันเรานี่ก็มีพ้าป่วยหลายคนนะภาษานี้อาการาหนักๆนั้นเลยป่วยมีหลายระดับระดับธรรม ด, ดาก็ยังทํางานปกติได้แล้วระดับหนักก็คืออาการแบบพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปก็หลายคนถ้าพิจารณาเราก็เกิดทําเหมือนกันธรรมสังเวชทักวันเราต้องป่วยไม่มีใครไม่ป่วยฉะนั้นสิ่งที่ป่วยจะเกิดขึ้นเราก็ได้ความตาย ความตายนี่ก็เราไปงานศพเราก็จะน้อมเข้ามาใส่ตัวเราสักวันเราก็ต้องตายเหมือนศพที่อยู่ในโลงอ่ะเราหนีไม่พ้นหรอกให้พิญางี้ก็ทำให้เราเนี่ยกิเลสความโลภกดลงหรืออยากได้อย่างมีอยากเป็นน้อยลงได้เพราะถ้าเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ตายเนี่ยมันก็อยากเอาของของนี่มาหาเรานะอยากได้อย่างมีอยากเป็นไนงะ พอถ้ารู้ว่าเราต้องตายเนี่ยเราก็ปรงโปงปล่อยวางเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราหรืออย่างชื่อเสียงน่ะเราอะไรเป็นไม่ได้เลยตายไปก็อย่างทรัพย์สมบัติก็เป็นของคนอื่นนั่นแหละไม่เห็นพระเป็นโยมไปได้แตัวมีแต่บุญบาต ท, ที่ติดตามเราไปนั้นเราก็ต้พิจารณาบ่อยๆพิาจารณาเวกิกอันนี้มีแง่ที่จากโลกบาลอธมาพูดสมาวันนี้ก็ บางทีก็มีเรื่องขมขันตอนต้นแล้วตอนจบนี่ก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่พูดเรื่องเครียดยาหวานแล้วก็มายาขมอันมาพูดว่าก็เห็นว่าสมควกับเวลาขอให้โยมมีควาสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป